พระโพธิยานเทระหลวงพ่อชาสุภัทโทวัดหนองป่าพงตำบลโนโ น, นนนอำเภอวารินชำราดจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศักราช2461ถึง2535 ใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรม ร, นธ ร, มนธรมชาติถ้าผู้ใดเห็นธรรมชาติเห็นธรมนธรมะผู้นั้น ก็เป็นผู้รู้จักธรรมะนั่นเองไม่ใช่อยู่ไกลดังเช่นเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้ว วามสุขนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปแล้ว สุกมันก็สลายไปหมดก็ไม่มีอะไรมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการเวลาทั้งของภายในคือนามรูปนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ ของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเทาวันเหล่านี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าสัจธรรม พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้อยู่บัญญัติธรรมะบัญญัติก็บัญญัติสิ่งที่มันมีอยู่แล้ว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 ฉะนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ธรรมะและการตรัสรู้ธรรมะนี้เองจึงทำให้ท่านได้รับพระนามว่า พระพุทธเจ้าเมื่ออยากรู้ธรรมะจะไปดูที่ไหนได้ดูที่กายของเรานี้แหละดูที่ใจของเรานี้แหละ จะรู้ธรรมะอย่างแท้จริงต้องดูในกายของเรานี้เรียกว่ารูปธป ร, รรมรู้เข้าไปอีกชนิดหนึ่งไม่มีรูปมีปรากฏอยู่ คือนามธรรำมีสองอย่างเท่านั้นฉะนั้นจึงทาปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตของเรา ปัญญาเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วจะมองไปทางไหนจะมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาตลอดเวลา อนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังถ้าไปยึดว่ามันเที่ยงก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วแต่เราไม่เห็น กลับเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เสมอเห็นว่าเป็นของตนอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่มีอะไร ยิ่งไปกว่าการที่เราเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นของสมมุติอันนั้นไม่ใช่ของเรา เป็นของสมมติถ้าเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายแจมแจ้งเป็นธรรมะแล้วยอมรับความจริงอย่างนั้นก็จะเห็นจริงในธรรมะ อย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกพอเราเห็นว่าทุกขอย่างเดียวก็ไม่ชอบเสียแล้ว จะรู้ทุกแต่ความเป็นจริงแล้วตัวทุก์นั่นแหละคือตัวสัจธรรมแท้แต่เราก็อ้อมอันนี้เสีย ไม่อยากจะดูทุกทุกนี้ไม่อยากจะดูเมื่อไม่อยากจะดูทุกมันก็ไม่รู้ทุก ตลอดกี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้จักทุกทุกนี้เป็นตัวอริยสัตว์เป็นสัจธรรม เห็นทุกก็เป็นเหตุให้เราแก้ไขถ้าเราไม่ทุกมันก็ไม่มีปัญหา ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีเหตุให้พิจารณาอะไรเลยอันนี้เราเลยข้ามไปฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงสอนเรื่อง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 ฝึกให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเราก็มาปรับปรุงธรรมชาตินั้นถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เราจะต้องอาศัยปัญญา รู้จากธรรมะที่ควรละรู้ธรรมะที่ควรปฏิบัติสุขก็รู้ทุกก็รู้เมื่อมันรู้สุขรู้ทุก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 ก็คือไว้เพื่อเอาไปพิจารณาด้วยปัญญาเราอีกให้มีเหตุผลค่อยๆทำไปอย่างนี้